ทรงอนุ ญ, ญาตให้ฉันคณะโภชนาได้ในสมัยที่เดินทางไกลสองสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเดินทางไกลไปกับพวกชาวบ้านครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกับพวกชาวบ้านเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านโปรดรอสักครู่พวกอาตมาจะไปบินถบาทพวกชาวบ้านได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายนิมนต์พวกท่านฉันที่นี่แหละภิกษุทั้งหลายมีความยำเกรงอยู่ว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามการฉันคณาโภชนะจึงไม่รับแล้วได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลําดับนั้นพระผู้มีพระภา ค, ท ร, ารรภาคทรงสแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉันคณาโภชนะได้ในสมัยที่เดินทางไกลแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้